วันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สิบหกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันพระวันธรรมัสุวนะณวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่า การเลยนะธรรมอัศวนังเอตมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยพระพุทธการก็มีการจัดให้มีการฟังธรรมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระเช่นวันนี้เป็นวันที่ จะไม่ได้ไปทำงานทำการกันเป็นวันหยุดของชาวพุทธในสมัยพุทธกาลเพื่อที่ชาวพุทธจะได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วจะได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะในสมัยพุทธกาล การฟังธรรมต้องไปฟังที่วัดเพราะต้องมีพระเป็นผู้แสดงธรรมจึงต้องมีสถานที่และมีเวลาที่สะดวกต่อการฟังธรรมในยุค ป, ปัจจุบันนี้เรามีสื่อที่สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมได้ตลอด24ชั่วโมง ทุกสถานที่ชาวพุทธสมัยปัจจุบันจึงถือว่ามีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมนประเสิดของพระพุทธเจ้าได้อย่างสะดวกง่ายดายและรวดเร็วจึงถือว่าเป็นยุคทองของชาวพุทธเราในตอนนี้อยากจะฟังธรรม ในวันไหนเวลาไหนที่ไหนเมื่อไหรก็สามารถฟังได้ทันทีไม่ต้องรอให้เป็นวันพระแล้วก็มาวัดมาฟังธรรมเหมือนในสมัยพระพุทธการ <c oughs> ดังนั้นควรจะฟังธรรมกันบ่อยๆฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ ยิ่งฟังก็ยิ่งได้มงคลมากขึ้นฟังหนึ่งครั้งก็ได้มงคลหนึ่งเท่าฟังสองครั้งก็ได้มงคลสองเท่าสามเท่าเพิ่มไปเรื่อยๆการฟังธรรมนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อผู้ฟังมีแต่คนมีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียว เพราะเวลาฟังธรรมแต่ละครั้งจะได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทำให้กำจัดความลังเลสงสัยในเรื่องของธรรมต่างๆได้จะทำให้เกิดมี สัมมาทิตฐิมีความเห็นที่ถูกต้องคือมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขถ้าอยากจะมีความสุขเมื่อฟังธรรมดีกว่าดีกว่าไปฟังเพลงดีกว่าไปฟังละครไปฟังภาพยนตร์ เป็นความสุขคนละชนิดกันความสุขจากการฟังธรรมนี้เป็นความสุขที่เย็นที่สบายที่อิ่มที่พอ <Yeah. S 1> ต่างกับความสุขที่เกิดจากการฟังเพลงฟังละครฟังภาพยนตร์เป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา yeah. การฟังธรรมจะฟังให้เกิดประโยชน์ได้นั้นต้องฟังแบบไหนการฟังธรรมนี้ก็มีฟังได้สองแบบด้วยกัน <c oughs> แบบที่หนึ่งก็คือฟังแบบทับทีในหม้อแกงแบบที่สองก็คือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบทับทีในหม้อแกง ก็จะเป็นเหมือนทัพพีคือไม่รู้รสของแกงต่อให้แช่ทัพพีอยู่ในหม้อกแกงนานเพียงไรก็ตามทัพพีจะไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นรสอะไรเป็นรสหวานรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยว <c oughs> แต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงจะรู้ทันที เวลาแกงมาสัมผัสกับลิ้นแม้เพียงหยดเดียวลิ้นก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรสอะไรรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสอะไรต่างๆลิ้นนี้จะเป็นผู้รับรู้ได้ทันที <c oughs> การฟังธรรมก็เช่นเดียวกัน <c oughs> การฟังธรรมนี้ก็ฟังได้สองแบบด้วยกันแบบทัพพีในหม้อแกง หรือแบบลิ้นกับแกง <Yeah. S 1> การฟังธรรมแบบทัพพีในหม้อแกงนี่ฟังอย่างไร <Yeah. S 1> ก็ฟังด้วยกายวาจาใจที่ไม่สงบนั่นเอง <Yeah. S 1> คือเวลาฟังธรรมแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆ <Yeah. S 1> เช่นไปกวาดบ้าน <Yeah. S 1> ไปถูบ้าน <Yeah. S 1> ไปทำกับข้าว <Yeah. S 1> ทำอะไร หรือไปพูดไปคุยกัน <Yeah. S 1> หรือนั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ <Yeah. S 1> <c oughs> ถึงแม้จะได้ยินเสียงธรรมแต่มันจะไม่เข้าไปในใจ <Yeah. S 1> เพราะว่าใจไม่ได้รับไม่ได้หันมารับธรรมนั่นเองใจมัวไปอยู่กับการกระทาต่างๆ <Yeah. S 1> มัวไปอยู่กับการพูดการคุยกัน มัวไปอยู่กับความคิดต่างๆ <c oughs> ฟังธรรมแล้วก็ได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่ได้เข้าใจความหมายของธรรมนั้นก็ <c oughs> จะเป็นธรรมที่เข้ามาในหูซ้ายแล้วก็ออกไปในหูขวาออกไปจากหูขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่มีการเข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้อยู่กับธรรมที่ฟังนั่นเอง ใจไปอยู่กับงานที่กำลังทาอยู่หรือไปอยู่กับการพูดคุยกันหรือการคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้งั้นเวลาฟังเสียงธรรมถึงแม้จะได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมจะไม่ได้รู้ว่าธรรมที่ฟังนั้นเคยได้ยินแล้วหรือยัง แล้ถ้าได้ยินแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่รู้ทำให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องก็ไม่เกิดทำให้ความลังเลยสงสัยที่มีอยู่ในใจก็ยังมีอยู่ต่อไปใจก็ไม่สงบจากการฟังธรรมแบบนี้นี่เรียกว่าการฟังธรรมแบบทับพีในหม้อแกงไม่ควรฟังแบบนี้ เวลาฟังธรรมจึงไม่ควรทำอะไร <c oughs> ไม่ควรพูดคุยกัน <c oughs> ไม่ควรคิดถึงคนนั่นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ <c oughs> ให้ใจนี้จดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูแล้วก็รับรู้ด้วยใจ <c oughs> ให้ฟังด้วยสตินั่นเอง ให้มีสติอยู่กับการฟังแม้แต่การจะไปดูลมหรือการบริกรรมพุโทโธก็ไม่ควรจะกระทาในตอนฟังธรรมเพราะว่าถ้าไปพุโทโธพุธโทโธก็จะไม่ได้ฟังธรรมอยู่ดีถ้าไปดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ฟังธรรมอยู่ดีถึงแม้ว่าการดูลมหรือการบริกรรมพุโทโธจะทําให้ใจสงบก็ตาม แต่ก็ไม่ควรทําในตอนที่กําลังฟังธรรมอยู่ตอนฟังธรรมนี้ให้อยู่กับเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนแทนที่จะใช้พุโทโธแทนที่จะใช้ลมหายใจเข้าออก <c oughs> ก็ให้ใช้เสียงธรรมที่กําลังฟังอยู่นี้เป็นอารมณ์แทนแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์ได้ ประโยชน์ถ้าประการตามที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับจะทําทให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอเกิดปัญญาขึ้นมาทําให้ กำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้แล้วจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือ <c oughs> การฟังธรรมแบบลิ้นกับแกงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วก็มีสติจดจ่ออยู่กับการฟัง ฟังได้สองแบบคือถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายก็ใช้เสียงธรรมที่ฟังนั้นเป็นอารมณ์กล่อมใจให้สงบถ้าฟังแล้วเข้าใจก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสมัยพระพุทธกาลนี้ฟังธรรมแล้วสามารถบรรลุธรรมกันได้เลยเช่นการแสดงธรรมครั้งแรก ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้กับพระปัญจวัคคีทั้งห้าหลังจากที่ทรงแสดงทำสำเสร็จหนึ่งในปัญจวัคคีคือพระอัญญาโกลธัญญาก็าเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาจงมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามีการเกิดแล้วก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> จึงทำให้พระอัญญาณโกนธัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพระโสดาบันนี้จะมีดวงตาเห็นธรรมในขันห้าในร่างกายในเวทนา ว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเสมอร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่ล่วงพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ ด้วยการปล่อยวางร่างกายอย่าไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราะความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟทามาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีใครยับยั้งดินน้ำลมไฟได้ เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของยืมมาชั่วคราวยืมมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องกลับคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่ทุกข์นี่คือ สัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา <c oughs> เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเ <c oughs> มื่อรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา <c oughs> ก็ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่เดือดร้อน <c oughs> เหมือนกับเวลาที่ร่างกายของคนอื่นเป็นอะไรไป <c oughs> เราไม่ตื่นเต้นตกใจ <c oughs> เดือดร้อนเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเรานั่นเองคนอื่นตายเราก็เฉยคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บเราก็เฉย <c oughs> เพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรายัางใดร่างกายที่พวกเรามีกันอยู่นี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ใช่ของเรานี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมในขั้นที่หนึ่งของ พาอริยบุคคลเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดเพราะเห็นว่ามันเป็นของดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ของจิตของใจผู้มาครอบครองนี่คือประโยชน์ที่ได้การฟังธรรมถ้าฟังแบบ ลิ้นกับแกงจะเป็นอย่างนี้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนในยุคแรกๆทรงมุ่งไปสอนผู้ที่มีความสามารถที่จะรับธรรมได้เต็มร้อยคือพวกที่มีศีลมีสมาธินั่นเองพวกที่มีศีลก็คือพวกที่สามารถควบคุม ให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่ให้พูดคุยกันได้แล้วก็มีสมาธิที่สามารถควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆได้ <c oughs> พอแสดงทำระดับปัญญาให้กับผู้ที่มีศีลมีสมาธิฟัง <c oughs> ก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลย เพราะว่าขณะที่ฟังก็พิจารณาตามไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายไปจนเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปใจก็เลยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไป นี่แหละคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมจะได้รับก็ต้องมีความมีสองส่วนด้วยกันคือส่วนผู้แสดงและส่วนผู้ฟังส่วนผู้ฟังก็ได้พูดไปแล้วต้องมีกายวาจาใจที่สงบคือมีศีลมีสมาธิ ส่วนผู้แสดงธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่มีธรรมต้องเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเท่านั้น <Yeah. S 1> ถึงจะสามารถนำเอาธรรมแท้มาแสดงให้กับผู้ฟังได้ฟังได้เ <Yeah. S 1> ช่นต้องเป็นพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> หรือเป็นพาาาระอรหันตสาวก <Yeah. S 1> เวลาท่านแสดงธรรมนี่จะเป็นธรรม ท, ที่เป็นธรรมแท้ร้อยเปอร์นตไม่เหมือนกับธรรมของผู้ที่ ศึกษาแต่ยังไม่บรรลุ <Yeah. S 1> เช่นสมัยนี้จะมีผู้แสดงธรรมมากเป็นผู้ที่แสดงธรรมจากการศึกษาล่ำเรียน <Yeah. S 1> แต่ยังไม่ได้ทำที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่ได้ศึกษาล่าเรียนกับธรรมที่ปฏิบัตินี้เป็นคนละเรื่องกัน <Yeah. S 1> เหมือนกับรายการอาหารที่เราไปร้านอาหาร เวลาเราไปกินอาหารตามร้านอาหารเขาจะเอารายการอาหารมาให้ดูเมนูมีอาหารข้าวผัดมีกว๋วยเตี๋ยวมีอะไรเราก็ดูไปแล้วเราก็เลือกเอา้าเอากว๋วยเตี๋ยวเอาเข้าวผัดแต่เวลาดูนี้ยังไม่มีข้าวผัดยังไม่มีกว๋วยเตี๋ยวมาให้เรากิน mm hmm. เวลาศึกษาธรรมะก็เหมือนกันศึกษาชื่อของธรรม ศึกษาชื่อของสติชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาแต่ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอยู่ในตัวของตนเองยังไม่มีศีลอยู่ในตนเองศีลห้ามีหรือเปล่าศีล8มีหรือเปล่าศีลสิ 10, มีกันหรือเปล่าศีล220มีหรือเปล่าสองร้อี่สิบเมีหรือเปล่าเวลาศึกษาเราจะศึกษาเกี่ยวกับชื่อของธรรม แต่ไม่ใช่ตัวทมตัวทมเรายังไม่มี <Yeah. S 2> เหมือนกับร้านอาหารเราก็เห็นรู้รายการอาหารร้านอาหารนี้มีอาหารอะไรชนิดไหนบ้าง <Yeah. S 2> แต่ยังไม่ได้มีอาหารรับประทาน <Yeah. S 2> ต้องสั่งต้องสั่งคนที่เข้ามาเสิร์ฟว่าต้องการอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ <Yeah. S 2> แล้วเขาถึงค่อยเข้าไปในครัวไปสั่งพ่อครัวให้ทาอาหาร พอพ่อครัวทำเสร็จแล้วก็เอาอาหารออกมาอันนั้นแหละเป็นอาหารจริงๆทำที่พระพุทธเจ้าแสดงก็เป็นเหมือนทำอาหารของพอครัวเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพ่อครัวพอเราสั่งอาหารขอเป็นโสดาบันพระพุทธเจ้าก็เอาอาพระเอาโสดาบันมาให้เราเราก็เสพโสดาบันเข้าไป เราก็ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นคนที่เสิร์ฟเขาก็เอาแตลา่ลายชื่อของอาหารมาให้เราโสดาบันโสดาบันก็กระดาษชิ้นหนึ่งสกิดดาคามีก็กระดาษอีกชิ้นหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นอาหารดังนั้นการฟังธรรมที่จะทำให้ <c oughs> บรรลุธรรมในขณะที่ฟังได้นั้นจึงยากสำหรับคนในสมัยนี้ เพราะยากทั้งสองส่วนคือคนฟังก็ยังไม่มีศีลสมาธิที่แน่วแน่มั่นคง mm hmm. มีก็เป็นแบบล้มลุกคุกคานอยู่ศีล mm hmm. ก็ขาดบ้าง mm hmm. เกินบ้างสมาธิก็สงบบ้างไม่สงบบ้าง mm hmm. ฟังธรรมอยู่สองสามวนาที mm hmm. เดี๋ยวก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ mm hmm. พอช่วงที่ไปคิดทำที่แสดงอยู่ก็ไม่เข้าถึงเข้าไปในใจละขาดตอนนะก็<อ><อ>จะไม่รู้เรื่องพอกลับมาฟังใหม่ก็ไปฟังอีกตอนเป็นอาจจะเป็นอีกเรื่องไปแล้วตอนที่ฟังตอนต้นกำลังพูดเรื่องสติอยู่เดี๋ยวพอมาฟังอีกทีอ่อเป็นเรื่องสมาธิไปซะแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ก็เลยไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมคือไม่สามารถบรรลุธรรมได้ต้องฟังแบบต่อเ น, นื่องเลยไม่ขาดตอนเหมือนดูภาพยนตร์นี้เราไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำกันเลยใช่ไหมนั่งดูกันอย่างต่อเ น, นื่องเลยไม่ขาดตอนเลยเราถึงเข้าใจว่าภาพยนตร์นี้เป็นยังไงมาอย่างไร นี่คือการฟังธรรมถ้าจะฟังนะให้เกิดบรรลุธรรมในขณะที่ฟังนี้ผู้ฟังก็ต้องมีกายวาจาใจที่สงบมีศีลที่บริสุทธิ์ที่ถาวรมีสมาธิที่มั่นคงขณะระดับอปปนาสมาธิคือมีอุเบกขาจิตตั้งมั่นอยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียว แล้วผู้ฟังก็ต้องเป็นผู้ที่มีธรรมแท้มาแสดงเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วขั้นต่างๆถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะแสดงได้เพียงขั้นของพระโสดาบันจะแสดงสูงกว่านั้นไปไม่ได้เพราะตนเองยังไม่ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นสอนได้เพียงแต่ขั้นสโสดาบันถ้าเป็นสกิดาคามีก็สอนได้ขั้นขั้นสกิดาคามี อนาคามีก็สอนได้แค่ขั้นอนาคามีอรหันต์ก็จะสอนได้ทุกขั้นสอนได้ตั้งแต่ขั้นทานขั้นศีลขั้นสติขั้นสมาธิขั้นปัญญาแต่ละขั้นจนถึงขั้นนิพพานขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สมัยนี้จึงไม่มีการบรรลุธรรมจากการฟังธรรมกันไม่มีข่าวข่าวปรากฏให้รับรู้เลยว่าพระอาจารย์รูปนั้นแสดงธรรมแล้วมีลูกศิษย์คนนั้นบรรลุธรรมในขณะที่ฟังเพราะว่าพระอาจารย์ที่มีธรรมแท้นี้ก็หาได้ยากมีน้อยแล้วก็ <c oughs> ลูกศิษย์ที่ฟังธรรมที่มีสติ ที่มีสมาธิมีศีลที่บริสุทธ์ก็หายากการฟังธรรมเลยเป็นใบแบบล้มลุกคุก ค, คานไปก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆเพื่อที่จะเอามาประติดประต่อกันเหมือนฟังธรรมแต่ละครั้งก็อาจจะได้มาชิ้นหนึ่งของจิ๊กซอว์ธรรมะนี้ก็เป็นเหมือนจิ๊กซอว์เนี่ยเวลาฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังแบบต่อเนื่องแบบ แบบที่มีศีลมีสมาธิ <Yeah. S 1> ก็จะได้ <Yeah. S 1> จิ๊บจอเทีลชิ้นสองชิ้นมา <Yeah. S 1> บางครั้งหนึ่งก็ได้เข้าใจเรื่องนี้เข้าไปหน่อยฟังอีกครั้งหนึ่งก็เข้าใจเรื่องนั้นเข้าไปอีกนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> เพิ่มความเข้าใจไปทีละเทียน้อย <Yeah. S 1> ก็เหมือนได้จิ๊บซอมมาทีละชิ้นทีละแผ่นพ <Yeah. S 1> อ, อฟังไปเรื่อยเแล้วเดี๋ยวก็ได้เยอะได้เยอะเพิ่มขึ้น <Yeah. S 1> ก็จะเห็นภาพของธรรมชาติเจนขึ้นตามลาดับ yeah. แล้วเดี๋ยวในที่สุดก็จะสามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้เต็มร้อยง <c oughs> ั้นอย่าอย่าเกียจค้านในการฟังธรรมพยายามสร้างฉันทะวิริยะให้กับการฟังธรรมให้มีความยินดีฟังธรรม <c oughs> เวลาจะไปทำอะไรนี่ถามตัวเองว่าไปฟังธรรมดีกว่าไหม <c oughs> จะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่น ไปดูไปฟังอะไรนี้มาฟังธรรมกันไม่ดีกว่าเลยแล้วก็ต้องหาธรรมของพระอริยะฟังกันสมัยนี้ธรรมก็มีหลายระดับด้วยกันพระที่สแสดงก็มีหลายระดับพระพุทุชนสแสดงธรรมก็มีเยอะแย ะ, ยะพระอริยะที่สแสดงธรรมก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะก็ไปฟังของพระพุทธเจ้าดีกว่า ไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าด้วกันพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไปศึกษาพระสูตรต่างๆพระสูตรสำคัญสำคัญอยู่มีอยู่สี่ห้าพระสูตรได้กันพระสูตรแรกก็คือมงคลละสูตรมงคลสามสิบแปดวิธีที่จะทำให้เราไปถึงนิพพานสาสิบปดขั้นด้วยกันเรียกว่ามงคลสามสิบแปด ขั้นที่หนึ่งก็ให้เลือกคบคนให้เลือกคบคนที่มีธรรมะอย่าไปคบคนที่ไม่มีธรรมะคือให้ไปศึกษาธรรมะจากคนที่มีธรรมะอย่าไปศึกษาจากคนที่ไม่มีธรรมะคนที่มีธรรมะก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นั่นเองรู้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นพระอริยสงฆ์เนื่องจากเราได้ศึกษาประวัติ ได้รู้ประวัติของท่านและรู้ว่ากระดูของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วเรานี้เราก็ถือว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์แน่นอนเป็นพระเป็นพระอารหันตสาวกแน่นอนก็ไปศึกษาคําสอนที่ท่านได้แสดงไว้ในขณะท่านมีชีวิตอยู่ได้ตอนนี้ก็มีบันทึกไว้เป็นหนังสือเป็นซีดีของหลวงปู่มั่นนี้ก็สมัยนั้นไม่มีการบันทึกในหน้าเสียดาย มีแต่การจดจํามาแล้วมาถ่ายทอดกันยงคําสอนของหลวงปู่มั่นจะมีน้อยแต่คําสอนของโลกศิลป์หลวงปู่มั่นเนี่ยผ้าจารย์ต่างๆเนี่ยมีมากตั้งแต่พระหลวงปู่แหวนลงมาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ปั้นท่านพ่อลีวัโสกาลามหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์เหล่านี้กระดูกท่านกลายเป็นพระธาตุไปแล้ว ท่านเป็นพระสาวกเป็นพระอาหารหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมที่ท่านแสดงนี้เป็นธรรมแท้ไม่มีของแปลกปลอมเจือปนเข้ามาฟัางแล้วสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ควรจะหาควรจะศึกษาจากท่านผู้รู้จริงๆอย่าไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้ พอาผู้ที่ไม่รู้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดสอนคนตาบอดจะไปถึงไหนกัน uh hmm. ก็วนอยู่ในอ่างนั่นแหละวนอยู่ในอ่างของการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปศึกษากับผู้ที่รู้คือพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกว่ามงคล38ดเนี่ย เราเป็นชาวพุทธเรารู้จักวงคล3สามสิบแปดกันบ้างแรืเปล่ามีอะไรบ้างสามสิบแปดทอดด้วยกันตอนนี้อาตมามีเด็กอายุประมาณสิบขวบเนาะมาใส่บาททุกวันก่อนจะกลับก็สอนวงคล3สามสิบแปดให้ท่องทีละข้ออย่าง น, นี้ท่องได้หมดนะทั้งสามสิบแปดข้อเป็นคำสอนที่เริ่ม เริ่มจากขั้นที่หนึ่งไปเลยให้ให้คบคนให้หาคนที่มีธรรมะคบด้วยอย่าไปคบกับคนที่ไม่มีธรรมะคนมีธรรมะก็เหมือนคนตาดีคนไม่มีธรรมะก็เหมือนคนตาบอดถ้าไปคบกับคนตาบอดเขาก็เขาก็พาให้เราบอดไปกับเขาถ้าไปกับคนตาดีเขาก็จะพาเราไปให้เรามีตาดีเหมือนเขา อันบออาศัยวนาจะพาลานางังบันดิตานั้นจะเสวนาอย่าไปคบคนโง่คนที่ไม่มีธรรมะให้คบบัณฑิตคนฉลาดคนที่มีธรรมคนที่มีธรรมก็มีสองสองลสองคนคือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกหรือพระอริยสงสารุตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปให้คบกับท่านเหล่านี้แล้วจะได้เรียนธรรมะได้อย่าง ถูกต้องแล้วสามารถที่จะทําให้ตัวเรากลายเป็นพระอริยบุคคลตามท่านได้กานพยายามให้มีความยินดีที่จะศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาไปแล้วจะเกิดความเพลิดเพลิน mm. เกิดความสุขจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่เราไม่รู้มาก่อนเยอะแยะไปหมดของวิเศษของดีๆทั้งนั้นอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้า เพิ่มต้นที่มงคลลสูตรแล้วก็ไปที่ธรรมจักรกับวัฒนสูตรสงสัยแสดงทางสู่การหลุดพ้นคือมรรคแปได้แก่ศินสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาแล้วก็ไปศึกษาสติปัฏฐานสูตรวิธีปฏิบัติขั้นสมาธิขั้นปัญญาอยู่ในสติปัฏฐานสูตร ถ้าไม่รู้ว่าจะนั่งสมาธิอย่างไรก็ไปศึกษาได้การนั่งสมาธิก็ให้มีสตินั่งอยู่โคนต้นไม้เนี่ยอยู่ในตามล่มไม้มันเย็นมันสบายไม่ไม่ร้อนถ้านั่งกลางแดดนะมันร้อนต้องไปหาที่ร่มเย็นนั่งส่วนสมัยก่อนก็ไปตามโคนไม้ในป่าในป่าในสวนแล้วก็เป็นที่สงบไม่มีใครไปพุกคลาดแถวนั้น อย่าไปนั่งตามสี่แยกไฟแดงนั่งตามศูนย์การค้านั่งตามสถานที่เหล่านั้นแล้วจิตจะสงบได้ยากในสติปัฏฐานก็จะแสดงวิธีนั่งสมาธิวิธีเจริญสติเพราะการจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติก่อนก็สอนให้เจริญสติด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่าง ทุกทิริยาหมดให้ผูกใจไว้กับร่างกายถ้าใจติดอยู่กับร่างกายก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะมีสติขึ้นมาหยุดความคิดได้พอนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจได้พอดูลมหายใจได้ไม่ไปคิดอะไรใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ พอได้สมาธิแล้วท่านก็สอนให้ไปพิจารณาร่างกายไปพิจารณาเวทนาความรู้สึกแล้วไปพิจารณาจิตคืออารมณ์ที่มีอยู่ในจิตอารมณ์ของจิตสภาพของจิตจิตใจของวเรานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวบางทีก็สดชื่นเบิกบานบางทีก็เศร้าหมอยบางทีก็ซึมเศร้าบางทีก็วุ่นวาย บางทีก็ซุกซนมีมีอาการแปลกๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เลยเราต้องรู้จักวิธีควบคุมมันกำจัดมันให้มันไม่มาสร้างปัญหาให้กับเราเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเราก็ศึกษาว่ามีเวทนากี่ชนิดเวทนาก็มีสอง ชนิดคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจ <Yeah. S 1> เวทนาทางร่างกาย <Yeah. S 1> ก็มีสามชนิดเช่น <Yeah. S 1> มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์ <Yeah. S 1> เวทนาทางร่างกายนี้เราก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยง <Yeah. S 1> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะให้มันให้ร่างกายนี้มันสุขไปตลอดเวลาก็ไม่ได้ เดี๋ยวร่างกายพอนั่งนานๆเข้ามันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาหรือไม่ฉะนั้นเดี๋ยวก็หิวน้ำหิวข้าวขึ้นมาหรือไม่ฉะนั้นก็ปวดท้องปวดท้องฉี่ปวดท้องอะไรขึ้นมามันเป็นอาการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ไม่สามารถสั่งให้มันมีแต่สุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวแล้ว ถ้าเราไม <mm ่ต้องการที่จะทุกข์กับ sure มันเราก็ต้องอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันเป็นเวทนาอย่างเวทสุขเวทนาอย่างเดียวมันเวลาสุขเวทนาหมดก็อย่าไปทุกข์กับมันเวลาทุกขเวทนามาก็อย่าไปทุกขกับมันถ้าเรารู้เฉยๆเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจเราจะไม่ทุกข์ทุกเวทนาทางใจจะไม่เกิด ทุกเวทนาทางใจเราควบคุมได้หยุดได้แต่เวทนาทางร่างกายเราควบคุมไม่ได้เราจะทําได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาและทุ ก, ท, กทุกระดับถึงเวลามันจะเจ็บขึ้นมามันก็เจ็บเวลาจะปวดหลังปวดอะไรขึ้นมามันก็ปวดขึ้นมาจะไปให้มันหายมันก็ไม่หาย ถ้ารักษาก็ช่วงดีก็ จ, จะหายก็ได้หายแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่ดังนั้นเวทนาทางร่างกายนี้เราต้องยอมแพ้มันดีกว่าเราเอาชนะมันไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่เราสามารถไม่ไปทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเจ็บก็ให้มันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปท้ามีเท่านี้ทำอะไรไม่ได้แต่ทมันจะทำให้ใจเราไม่ทุกจะไม่เกิดทุกขเวทนาทางใจจะไม่เกิดความทุกขทางใจขึ้นมาถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับเวทนาทางร่างกายนี่คือสติปัฏฐานสูตรที่ท่านสแสดงที่พวกเราควรจะศึกษา เราจะได้เรียนรู้วิธีจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา uh huh. แล้วก็ทรงแสดงพระสูตรอีกสองอันสำคัญคืออนัตอัตษะลักขณสูตร uh huh. แสดงความเป็นอนัตตาของขันห้า uh huh. ของของจิตใจ uh huh. ว่าเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟ uh huh. เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ uh huh. เราไม่สามารถไปควบคุมดินฟ้าอากาศได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถไปควบคุมขันห้าคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ฉั น, นั้นมันก็เป็นของมันไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวฟ้าก็คํารามเดี๋ยวฟ้าก็แลบเราจะไปเปิดปิดมันไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้เราไม่ต้องทุกข์ได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันถ้าไม่ไปอยากกับมันถ้ามันเป็นอะไรอย่าไปอยากให้มันเป็นเนี่ยอย่าอย่าไปอยากให้มันหายมันไม่เป็นอยากจะให้มันเป็นก็ไม่ได้ให้มันเป็นของมันไปตามธรรมชาติของมันแล้วใจของเราจะได้ไม่ทุกข์อันนี้ก็แสดงอนัตตลักษณ์สุข แล้วก็มีพระสูตรในการอธิตยาสูตรอันนี้ก็สแสดงเปรียบเทียบ ว, ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราสัมผัสรับรู้นี้เป็นไฟเป็นเหมือนกองไฟเป็นเหมือนไฟมันร้อนอย่าไปอย่าไปจับกองไฟอย่าอย่ไปจับก้อนไฟเช่นฐานเนี่ยสมัยก่อนมีใช้ฐานเนี่ยหุงข้าวเนี่ยเวลาฐานมันร้อนมันลุกเนี่ยไปแตะมันเนี่ยมันจะทําให้มือเราไหม้ อย่งใดท่านก็เปรียบเทียบ ว, ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพกันเนี่เป็นเหมือนไฟเสพแล้วมันทําให้ใจเราร้อนร้อนด้วยความโลภพอได้เสพอะไรที่ถูกใจก็อยากจะเสพอยากได้พออยากได้ใจก็โลภใจก็ร้อนขึ้นมาสังเกตเมื่อเวลาคนใจร้อนเนี่ขับรถเนี่ยอยากจะไปให้ถึงที่เร็วๆเนั้นโลภอยากจะไปถึงที่นู่นเร็วๆเพื่อจะได้ไปทํานู่นทนํานี่ไปอะไร สแสดงว่ากำลังเสพลูกเสียงกลิ่นลดอยู่จึงทำให้ใจร้อนขึ้นมาพอร้อนแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำตามความอยาก ท, ทันทีแล้วพอไม่ได้ความอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมาพอรถติดก็โกรธคนรอบด้านไม่หมดเลยรถรถรถจอดอยู่ข้างหน้าเกิดเขาสตาร์ทไม่ติดไฟเครื่องเสียนี่ โ, โกรธไอ้คนขับข้างหน้า อยากจะควักปืนออกมาฆ่ามันมาขวางทางเลยจะรีบไปนี่แหละนี่คือพระสูตรที่ทรงแสดงสอนเรานะให้เรารู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ราบยกสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดถภาอยู่ที่โลกธรรมเป็นเหมือนไฟเพอเราไปจับมันปั๊บนี่ใจเราจะร้อนขึ้นมาทันที พอไปเกี่ยวข้องกับเงินทองขึ้นมาปั๊บนี่ใจจะร้อนทันทีไปเกี่ยวกับยศตำแหน่งต่างๆนี้ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีไปเกี่ยวข้องกับสรรเสริญแล้วก็ร้อนขึ้นมาทันทีสังเกตพวกเป็นดาราเนี่ยใจเขาทุกข์มากเพราะเขากลัวจะถูกคนดา่ามีว่าเวลาเป็นดาราดังนี่คนจะยกย่องสรรเสริญเ ย, ยอะๆแล้วก็กลัวมันจะหมดอยากจะให้เขา ชมเขาสรรเสริญอยู่เรื่อยๆกลัวเขาจะตำหนิกลัวเขาจะว่าเวลาทำอะไรก็กลัวทาเดี๋ยวทำไม่ดีทำไม่ถูกเดี๋ยวก็ดูถูกคนเขาด่าเนี่ยความทุกข์ความน้อนใจเกิดจากการไปยินดีกับการสรรเสริญเยินยอของผู้ไปปร้อนกับตำแหน่งที่ก็ตั้งเราขึ้นมา พอเขาตั้งเราขึ้นมาโอ้ยที่นี่เขาหวงตำแหน่งกลัวจะสูญเสียตำแหน่งนี่ต้องเครียดกับการรักษาตำแหน่งคนที่แต่งตั้งเราพอเขาเรียกปั๊บต้องวิ่งไปทันทีเขาให้เลียตรงนั้นเลียตรงนี้ก็ต้องเลียทันทีถ้าให้เลียเดี๋ยวเขาปลดออกจากตําแหน่งได้นี่คือความร้อนของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเนี่ยรูกเสียงกลิ่นรสปวดพทพะเนี่ย ในรูปของราบยศเสริญสุขเนี่ยเป็นความร้อนเป็นความทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้าอยากจะให้ใจเย็นใจสบายอย่าไปอยากกับราบยศเสริญอย่าไปอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆตัดมันไปมาอยากกับความสงบดีกว่ามาอยากกับการศึกษาธรรมมาอยากกับการปฏิบัติธรรมดีกว่า พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้ใจเย็น <Yeah. S 1> ระหว่างใจร้อนกับใจเย็นอันไหนดีกว่ากัน <Yeah. S 1> ใจเย็นนี้สบาย <Yeah. S 1> ใจร้อนนี้ถึงแม้อยู่ในวังอยู่ในปราสาทราชวังก็ก็ร้อนถ้า <Yeah. S 1> บอกเหมือนหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนอยู่ที่ไหนมันก็ขันอยู่นั่น <Yeah. S 1> จะจับมันไปเลี้ยงในวังมันก็ขัน <Yeah. S 1> จะจับมันไปอยู่ในกระต๊อบมันก็ขัน เหตนวิธีพวกเราก็เป็นหมาขี้เลื้อนใจเรามันคันอยู่ตลอดเวลาร้อนอยู่ตลอดเวลา<ม>เราต้องมารักษาใจของเราให้หายคันหายร้อน<ม>ด้วยการศึกษาเนี่ยประสูตร์ร ต, รต่างๆที่พระเจ้าทรงได้แสดงไว้<ม>แล้วเรามาแก้ความขี้เลื้อนของใจมารักษา<ม><ม>ใจที่เป็นขี้เลื้อนใ ห, ให้ให้มันหายไปรักษาแผลใจ ก็คือความทุกข์ต่างๆเนี่ยพอใจรักษาหายแล้วที่ไม่มีแผลไม่เป็นขี้เรือนนะทีนี้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ในกระท่ก็มีความสุขไม่ต้องอยู่ในวังก็ได้ไม่ต้องอยู่ในปราสาทบ้านข้าหัสใหญ่โตอยู่อยู่กระทบออยู่เชิแม้กระทั่งเป็นแค่เป็นเพลิงกันฝนกันแดดอยู่ใต้ต้นไม้นี่ก็มีความสุข ความสุขมันอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคนแต่ตอนนี้ใจของพวกเรามันมีแผลมีขี้เป็นเหมือนขี้เลื้อนอยู่ในอยู่ในใจของพวกเรา <Yeah. S 1> แทนที่พวกเราจะมารักษาแผลกันเรากลับไปไปหาอะไรต่างๆไปไปเปลี่ยนไปหาที่อยู่ใหม่ให้กับใจไปหาบ้านที่ใหญ่ขึ้นไปหาตําแหน่งที่สูงขึ้นไปหาสรรเสริญที่มากขึ้น yeah. ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมันก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละมันก็ยังเป็นหมาขี้เลือนอยู่นั่นแหละใจมันก็ยังไม่ได้รับการรักษาไปอยู่ที่ไหนใหม่ๆก็รู้สึกสบายเดี๋ยวพออยู่ได้สักพักพอชินแล้วทีนี้ก็เริ่มเบื่อขึ้นมานะเริ่มเกิดอาการไม่ไม่สบายไม่พอใจนะไม่อยากจะอยู่ที่เก่าอะไรอยากจะย้ายใหม่ได้ตําแหน่งมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะขึ้นไปนะให้มันสูงกว่านี้อีกนะ นะวิธีแก้ปัญหาใจของพวกเรล่านี้ต้องมาแก้ด้วยธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนยารักษาโรคใจนะเป็นยารักษาโรคขี้เลือนของใจนะนะถ้าเป็นหมาหมาขี้เรือนนี้พอได้ยารักษาไปไม่นานแผลแผลมันก็หายไปหมดนะหายไปหมดทีนี้มันก็สบายอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องเกาไม่ต้องคัน ใจของพวกเราตอนนี้ยังเป็นใจที่มีแผลอยู่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพีงยงไรก็ตามใจของเรายัางต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกข์กับเรื่องที่เราไปมีนั่นแนหะมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีมีเงินก็ต้องทุกข์กับเงินมียศก็ต้องทุกข์กับยศตำแหน่ง มีสรรเสริญก็ต้องทุกข์กับสรรเสริญเพราะกลัวมันจะหายไปกลัวมันจะหมดกลัวจะถูกเขาด่าแทนที่เขาจะสรรเสริญเอากลับจะมานินทามาว่าเรากลัวจะสูญเสียรูปเสียงกิจลดต่างๆที่เราใช้เสพให้ความสุขกับเราถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะต้องทุกข์เพราะธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเป็นของชั่วคราวมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าไม่หมดมันก็ไม่เหมือนใหม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆได้มาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆนี่โอ้โหแทบจะคาดสายตาไม่ได้เลยต้องคอยดูคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆทักเคยชินกับมันแ้ เดี๋ยวความเคยชินความเบื่อมันก็เข้ามาแทนที่ต่อไปบางทีไม่อยากจะเห็นด้วยซ้าไปพยายามอยากจะหลีกอยากจะเลี่ยงเห็นแล้วทำให้ใจไม่สบายซกทำให้เบื่อหน่ายขึ้นมาซิ ก, ก็ได้ mm. นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับพวกเรานี่มันเป็นความสุขในเบื้องต้นความสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆ จะอยู่ไปอยู่ไปแล้วมันจะกลายเป็นภาระขึ้นมากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วถ้าเกิดมันหายไปหมดไปก็ทําให้เราเสียอกเสียใจหรือถ้ามันไม่หายไปเราเบื่อมันมันก็ทําให้เราทุกข์ใจเวลาเห็นมันเจอมันก็เบื่อมันอีก <Yeah. S 1> อยั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เนี่ย เห็นว่าลาบยศสรรเสริญเห็นว่ารูปเสียงกิจรถที่เรากําลังหากันอยู่นี่ถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเรามันก็ให้ความสุขเราแบบเดี๋ยวเดียวแบบชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาใหม่ได้ของอันนี้มาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็หมดความหมายไปความสุขที่ได้ก็หมดไปต้องไปหาอันใหม่มาคนนึงต้องไปชอปปิ้งกันอยู่เรื่อยๆซื้อของซ้ําๆซักๆเนะี่ย ก็ซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อเสื้อผ้าเนนะี่ยมันก็ของเก่าของซ้ําจําเจยอยู่นั่นแนหะแต่พอมันเป็นสีใหม่เป็นสั้นบ้างยาวบ้างอะไรขึ้นมาหน่อยมันก็เลยการดูว่าเป็นของใหม่ไปพอซื้อมาก็ดีใจวันสองวัน น, นั่นเองใส่ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วไม่อยากจะใส่ไม่อยากจะใช้มันอีกแล้วต้องไปคอยซื้อไปคอยหาอยู่เรื่อย แล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดไม่สามารถไปหาไปซื้อได้ตอนนั้นก็เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาแล้วไม่มีเงินไปช้อปปิง้งไม่มีเงินไปเที่ยวตอนนั้นตอนนั้นก็อยากจะฆ่าตัวตายคิดฆ่าตัวตายกันว่าไม่สามารถหาความสุขมามาให้กับใจได้อยู่แนละ้วของที่ได้มามากน้อยเพียงใดมันไม่เหมือนตอนที่ได้มาใหม่ เราได้ไม่มาใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นของมหัศจรรย์ใจพอมาเก็บไว้ที่บ้านสองสามวันความมาศัจจัยหายไปละวทีนี้อยากจะได้ความมาศัจรัยนี้ไปเปิดดูมากี่ครั้งมันก็ไม่มาศัจจัยไม่เหมือนกับไปดูที่ร้านพอไปดูที่ร้านเนี่ยโอ้โหเป็นของมาศัจรัยขึ้นมาใหม่ทันทีเ <c oughs> นี่ยใจหลอกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว เราให้เราหลงกับสิ่งใหม่ๆแปลกๆอยู่เรื่อยๆของเก่าแล้วก็ทำให้เราเบื่อทำให้เราลำคาญไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเห็นต้องไปหาของใหม่ๆเรื่อยๆทีนี้ชีวิตของเรานี้มันจะต้องมีอุปสรรคนะเพราะหนึ่งเงินทองมันก็ไม่แน่นอนเงินทองก็อาจจะหมดได้วันใดวันหนึ่งหรือร่างกายของเราสุขภาพก็จะเริ่มทุดเสื่อมลงนะ อาการอายุมากขึ้นมากขึ้นความแข็งแรงความสามารถในการที่จะไปทำอะไรมันก็ลดน้อยลงไปต่อไปก็จะทำไม่ได้พอทำไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาความว้าเหวพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่าง ที่อยู่นอกใจเราอย่าไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกวิ้นกายให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนการจะทำใจให้สงบได้ให้เกิดความสุขขึ้นมาได้นี้เราจึงต้องมาศึกษาก่อนมาฟังเทศฟังธรรมก่อนเพราะอยู่ดีๆเราบอกจะสั่งใจว่าให้สงบให้หน่อยนะเหมือนเปิดเปิดสวิฟ์ไฟปิดสวิตท์ไฟนี้มันทาไม่ได้ เรายังหาสวิตไม่เจอสวิตไฟที่จะทำให้จิตสงบนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราจึงต้องมาศึกษาจากผู้ที่รู้วิธีผู้ที่รู้วิธีที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจมีความสุขคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเราจึงต้องมีวันพระกันมีวันฟังเทศฟังธรรมกัน เพราะเมื่อเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีทาใจของเราให้สงบให้มีความสุขได้ mm hmm. ท่านก็สอนตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปถึงขั้นที่สี่เลย mm hmm. ขั้นที่หนึ่งท่านก็สอนว่าให้ถ้าเรายังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ mm hmm. ก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีซื้อแ mm hmm. ทนที่จะซื้อสิ่งของต่างๆซื้อรูปเสียงกลิ่นลด ก็ให้มาซื้อบุญแทนเอาเงินมาทำบุญทำบุญก็คือเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจะทำบุญกับวัดก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับโร ง, งเรียนก็ได้ทำบุญกับคนยากจนก็ได้ทำบุญกับคนที่เข า, าตกทุกข์ได้ยากเช่นเวลาที่มีภัยพิบั ต, ติต่างๆ มีไฟไหม้มีน้ำท่วมมีอะไรคนเดือดร้อนเราก็ช่วยบริจาคเงินกันไปเพื่อจะได้ไปซื้อปัจจัยสี่เครื่องอยางชีพให้คนที่ไม่มีเขาจะได้มีกินมีใช้เขาจะได้อยู่อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขคือมันจะทำให้ใจเราสงบ สงบจากความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นความสุขปลอมความความสุขชั่วคราวไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทำบุญมันจะอยู่กับใจเราไปนานบางทีเราคิดถึงบุญที่เราทำเมื่อเดือนที่แล้วพอคิดแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราคิดถึงความสุขที่เราได้ไปเที่ยวเดือนที่แล้วมันเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะตอนนี้ไม่ได้เที่ยวตอนนี้ถูกถูกโรคห้ามไว้ไม่ให้เดินทางปีที่แล้วได้ไปต่างประเทศพอปีนี้นึกถึงต่างประเทศที่เคยไปโอ้ยไม่ได้ไปเสร็จแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคิดถึงปีที่แล้วได้ทําบุญที่นั่นที่นี่พอคิดแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมา พระเจ้าบอกว่าถ้าเรายังมีเงินยังใช้เงินอยู่ทพ่วซื้อความสุขก็ให้ซื้อความสุขจากการทําบุญดีกว่ามีประโยชน์หลายอย่างมีความสุขแล้วก็หยุดความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ผิดได้ต่อไปเราก็จะเลิกเที่ยวได้เลิกช้อปปิ้งได้เลิกซื้อของฟุ่มเฟือยได้เลิกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆได้แล้วถ้าเกิดเรา ไม่สามารถไปไหนได้ไปเที่ยวได้ไปชอปปิ้งได้ไปดูไปฟังอะไรได้เราอยู่บ้านเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะความอยากไปเที่ยวความอยากออกไปข้างนอกมันไม่มีนี่คือประโยชน์จากการทำบุญทำให้เรามีความสุขทำให้เราหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แล้วจะทำให้เราสามารถไปอยู่วัดต่อไปได้เพราะถ้าเราอยู่วัดได้เราไม่มีความอยากไปเที่วยวได้เราก็จะไปอยู่วัดได้อยู่วัดเราก็จะได้ไปรักษาศีลไปฝึกสมาธิได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาได้เนี่ยท่านพาระพุทธเจ้าถึงสอนขั้นที่หนึ่งก่อนคือขั้นทานสาหรับผู้ที่ยังอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขอยู่ อย่าใช้เงินทองไ ป, ไปกับการไปท่องเที่ยวไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ <c oughs> ไปกับการหาความสุขจากบันเทิงมหรสพต่างๆ <c oughs> ให้มาซื้อความสุขจากการทำบุญดีกว่า <c oughs> แล้วจะทำให้เราเลอกเที่ยวได้เลอกช้อปปิ้งได้แล้วจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้ <c oughs> เวลาไม่ได้เที่ยวก็ไม่รู้สึกเกิดอัดก็จะทำให้เราไปอยู่วัดได้ เพราะถ้าเราต้องการจะสร้างความสงบนี้เราต้องมีที่ไปสร้างที่บ้านนี้ถ้าเราอยู่กันหลายคนมันจะวุ่นวายมันจะรบกวนการกระทาใจให้สงบยกเว้นถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเกี่ยวข้องด้วยการอยู่บ้านก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ศึกษาที่บ้านปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเราต้องเกี่ยวอยู่กันหลายคนนี้ทาไม่ได้ เพาเขาไม่มาศึกษาปฏิบัติกับเราเนี่เขาก็จะหาความสุขจากลูกเสียงกิน่นรนเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเพลงฟังเดี๋ยวเขาก็จะเปิดดูภาพยนตร์ดูละครเดี๋ยวเขาก็จะเปิดตู้เย็นหาอะไรมากินมาดื่มไอเรานี่พยายามที่จะอดที่จะกั้นกับสิ่งเหล่านี้พอไปเห็นเขาทํำเขา้ามันก็สติแตกตบะแตกพวะบททนแตกทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องไป กินกับเขาไปดูกับเขาไปฟังกับเขาก็เลยจะไม่สามารถปฏิบัติทำได้ทำใจให้สงบได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่เขาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ก็ไปอยู่ตามวัดเนี่ยวัดปฏิบัตินี้ท่านจะไม่มีการเปิดดูทีวีไม่มีการกินอาหารตา ม, มตามความอยากอนุญาตให้กินได้อย่างมากก็วันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่คนเดียวอยู่ที่เงียบๆให้สุกสติควบคุมความคิดให้หยุดความคิดให้ได้ให้นั่งสมาธิแล้วก็หยุดความคิดพอหยุดความคิดได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบก็จะได้เจอความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขถัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่แหละคือความสุขของพระอริยเจ้าความสุขของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ที่ความสงบของใจซึ่งมีสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าระดับสมาธิระดับที่สองเรียกว่าระดับของปัญญาระดับของสมาธินี้จะได้ความสุขแบบชั่วคราวเวลานั่งสมาธิจิตสงบ อยู่ในสมาธิก็มีความสุขเพราะตอนั้นความอยากต่างๆไม่มีหายไปหมดไม่มีอะไรมาบรบกวนใจใจอยู่กับโุเบขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอยู่กับความเย็นอยู่กับความว่างอยู่กับความสุขใจแต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องถอนออกมาเพราะกาลังของสติยังมีน้อยแล้วมีภาระที่จะต้องมาดูรับรับผิดชอบกับร่างกาย เพร่างกายก็ต้องมีการขับถ่ายมีการดื่มน้ํามีการรับประทานอะไรมีการชําระทําความสะอาดอะไรต่างๆก็เลยไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้ตลอดเวลาพอออกมาจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเร่างนี้<า><พ>เดี๋ยวก็เกิดความหิ ว, หวเกิดความอยากขึ้นมาได้<ม>เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ดังั้นถ้าอยากจะทําให้เวลาออกจากสมาธิแล้วใจยังสง บ, บอยู่ยังไม่หิวไม่อยาก ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจเวลาเกิดความอยากก็เอาปัญญามาสอนให้ใจเห็นว่าสิ่งที่อยากนี้มันไม่ไม่น่าอยากได้ถ้าอยากกินก็ให้ดูสภาพของอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมาพอนึกถึงสภาพของอาหารเหล่านี้ความอยากกินอาหารมันก็จะหายไปหรือถ้าอยากจะไปนอนกับแฟนก็คิดถึงซากศพของแฟนบ้าง คิดถึงส่วนอวัยวะที่มีอยู่ในร่างกายของแฟนบ้างคิดถึงโครงกระดูกของเขาคิดถึงปอดถึงตับถึงไตถึงลำไส้ของเขาพอนึกถึงภาพเหล่านี้แล้วความอยากจะเป็นร่วมหนับนอนกับแฟนก็จะหายไปพอความอยากหายไปความสงบก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิใช้ปัญญาหยุดความอยาก เราหยุดหยุดความอยากได้สองวิธ cool so ีหยุดด้วยสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็ให้มันเข้าไปในสมาธิมันก็จะหยุดความอยากได้แล้วความสุขก็เกิดขึ้นมาหรือถ้าไม่เข้าสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาหยุดมันให้ได้ถ้าใช้ปัญญาหยุดมันได้พอความอยากหยุดปั๊บความความสุขก็ปรากฏขึ้นมาได้มีสองวิธีด้วยกันถ้าหยุดด้วยปัญญามันก็จะเป็น การหยุดอย่างถาวรเป็นการทำให้จิตสงบอย่างถาวรต่อไปความอยากจะมีแฟนก็ไม่มีความอยากจะกินอะไรก็ไม่มีเวลากินก็รอให้มันถึงเวลาแล้วค่อยกินเหมือนกินยาเวลายังไม่ถึงเวลาก็ไม่เดือดร้อนไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อความอยากยังพอไม่มีความอยากแล้วปัญหาเรื่องกินก็จะไม่มี กินอะไรก็ได้เมื่อเมื่อถึงเวลาก็กินเมื่อไม่ถึงเวลาใจก็ไม่ไปคิดถึงมันไม่มีความอยากที่จะกินนี่แหละนั้นเราจะได้อยู่กับความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจของเราไปตลอดว่ามันเป็นความสุขที่อยู่ในใจของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นมามันมีอยู่แล้วแต่มันถูกความอยากนี้คอยปิดกั้นไว้เท่านั้นเองพอเราเอาสิ่งที่ปิดกั้นออกปั๊บ ความสิ่งที่ถูกปิดกั้นก็พวปรากฏขึ้นมาคือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็ปรากฏขึ้นมาเดนถ้าเราเอาสิ่งที่ปิดกัน้นออกไปให้หมดคือเอาความอยากทั้งหลายที่มีในใจออกไปให้หมดได้แล้วทีนี้ความสุขที่มีอยู่ในใจนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาตลอดเวลาไม่มีวันหายไปไม่มีวันหมดความสุขแบบนี้เราเรียกว่านิพานนิพานังบาลมังสุ ข, ขัง นิพพานก็คือผลที่เกิดจากการที่เราสามารถทาลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยทานนี่คือวิธีการที่เราจะต้องมาศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เรานี้ได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์ที่แท้จริงที่ถาวรที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเกงต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีการฟังเทศฟังธรรมในวันพระสมัยนี้เราฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องฟังอาทิตย์ละครั้งฟังได้ทุกวันทุกเวลาว่างเมื่อไหร่อยากจะดูอยากจะฟังอย่างอื่นก็มาฟังธรรมดีกว่าฟังการเมืองนะเป็นไงปวดหัวั้ยกุมใจไหมุ่นวายใจไมไปฟังมันทาไม ฟังแล้วทำให้กุ้มใจทําให้วุ่นวายใจฟังแล้วทําให้ใจมีความสุขไม่ดีกว่าเลยมาฟังทํากันเถิดสามารถฟังได้ตลอดเวลามีมือถืออยู่กับมือแท้ๆมีของดีอยู่กับมือแต่ไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์มือถือของเรานี่เป็นเหมือนกับตะเกียงวิเศษแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็นก็เป็นเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งถือไปถือมาแต่ถ้าใช้เป็นนี่สามารถ ให้มันผลิตความสุขให้กับเราได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการศึกษาธรรมรังศึกษาจากพระอริยจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสารถึงจะได้ธรรมแท้จึงจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมถ้าไปฟังจากผู้ที่ไม่มีธรรมแท้เดี๋ยวฟังไปฟังมากับสงสยัยเกิดความมุ่นวายใจขึ้นมาแทนก็นได้เกิดความสงสัยขึ้นมายังพยายามเลือกฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริง แล้วจะได้รับประโยชน์อย่างที่ได้แสดงมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาถาวาลลวาหาปุราปริกุเรนี่สาวกังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจาตุ สัเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะรุโขวินัสตุมัตเตปวโตอันตารายุสุขิธีขาโยโกภวะ าพิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวนโสุขังภาลาังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามเองอถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีใครบ้างค่ะวันนี้ทาง Facebook ยอดรวมห้า y o อ t สิบห9 7เจวิทยุออนไลน์7 z o ดซหผู้รับฟังหน้ากุฏิ90ิท่านรวมทั้งสิ้น9 1้า้อยสิบห้าท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลย มีคำถามค่ะจากาจากน้องที่ภาษาไทยไม่ค่อยคล่องคุณแม่เลยเขียนให้นะคะคุณแม่บอกว่าลูกสาวจะโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งตลอดทุกชั้นเรียนทุกปีค่ะเวลาเปิดเทอมครั้งแรกครูประจําชั้นก็จะชื่นชมให้ความชอบใจเพราะว่าน้องมีมีความสามารถและมีมารยาทที่ดีก็เลยกลายเป็นจุดเด่นจากนั้นก็เริ่มมีการอิจฉาเกิดขึ้นค่ะ จนกระทั่งปีพอขึ้นปีเยหกก็ได้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชั้นก็เกิดมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นแล้วก็มีการกระทำกลั่นแกล้งจากเพื่อนหลายอย่างจนทางน้องได้ไปบอกกับคุณครูแต่คุณครูก็เชื่ออีกฝ่ายหนึ่งจึงทำให้น้องหมดกำลังใจและเสียใจมากค่ะ ปีนี้คุณครูก็เรียกลูกสาวว่าเป็นคนขี้เกียจเพราะว่าจากที่เกิดปัญหาขึ้นตำแหน่งที่เคยได้เป็นหัวหน้าชั้นก็คนอื่นก็ได้ไปแทนค่ะก็เลยเสียใจมากลูกสาวก็ได้แต่ได้ไดไดความเจ็บปวดแล้วก็เก็บไว้แต่ข้างในคุณแม่ก็ได้แต่ปลอบใจและสอนลูกให้อภัยให้เพื่อนและก็ให้ทาสิ่งที่ดีต่อกันตอนนี้ที่ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นแต่เปิดเทอมมานี่ก็เจอปัญหาอีกแล้ว เพื่อนๆและญาติๆชอบโทษคุณแม่ว่าสอนให้ลูกเดินทางธรรมะเยอะเกินไปเลยกลายเป็นคนที่ขี้เกีงใจและกลายเป็นคนที่อ่อนแอจึงขอพระอาจารย์พอมีแนวทางที่จะช่วยแนะนำบ้างไหมคะเพราะกลัวว่าลูกสาวจะคิดสั้นเคยติดต่อกับทางโรงเรียนหลายครั้งแต่จะได้รับการดูแลเป็นระยะสั้นจึงขากลาบข อ, ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะก็ต้องสอนลูกว่าเราอยู่ในโลกที่ มีทั้งดีแล้วมีทั้งไม่ดีคือเราจะเอาแต่ดีอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นเหรียญที่มีสองด้านถ้าได้สารเสริญก็ต้องมีนินทามีอิจฉาริษยาตามมาถ้าไม่อยากจะได้อิจฉาลิษยานินทากันแกล้งก็ต้องอย่าไปได้สารเสวนอัน <laughs> เป็นของที่เราจะต้องเลือกเอาจะเอาอย่างไรถ้าเรายังอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะมีชื่อมีเสียงมันก็ต้องมีคนที่เขา้าอิจฉาวิสยาคนที่เขาจะคอยกั่นแกล้งเราทำร้ายเราเห็นถ้าเราอยากจะเด่นอยากจะดังเราก็ต้องเข้มแข็งต้องอดทน บ่อยให้เขาด่าไปให้เขาว่าไปให้เขากลั่นแกล้งไปเราก็มีทางเดียวที่จะปฏิบัติกับคนเหล่านี้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงเขาไป mm hmm. ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามทําใจเฉยๆไป mm hmm. พระพุทธเจ้าให้สอนให้เราคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ชอบเรา mm hmm. ก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรา mm hmm. ถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีเราก็บอกเอ้ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายบางคนอยากจะตายต้องไปซื้อยาพิษมากินต้องฆ่าตัวตายด้วยกระโดดตึกตายว่างต้องอซื้อปืนมายิงตัวตายบ้างหรือไปจ้างให้คนอื่นมาจ้างหมอให้มาฉีดยาให้ตายให้นี่เรามีคนมาทำให้เราตายมีคนรับใช้เราเสียเราก็ต้องยินดีกับเขาดีใจ ในที่สุดมันก็มารับใช้เราเพราะคนเราในที่สุดก็ไม่มีใครหนีความตายไปได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะอยู่กับคนเหล่านี้ได้แล้วส่วนใหญ่มไม่ถึงขั้นตายหรอกเชื่อเถอะพอเราไม่ไปตอบโต้เขาเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็เลิกลาไปเองอย่างว่าเราก็สลัดทิ้งไปเคยเป็นหัวหน้าก็ลาตาแหน่งออกไปใครอยากได้ก็เอาไป เมื่อเราเห็นพิษเห็นภัยของการมีลาบมียศมีสารเสริญว่ามันเป็นทุกข์ก็อย่าไปมีมันดีกว่าอยู่แบบคนธรรมดาเราไปเรียนหนังสือเราต้องการความรู้เท่านั้นเราไม่ต้องการที่จะไปเป็นหัวหน้าชั้นไม่ต้องการไปรับรางวัลอะไรจากใครขอให้เราเรียนแล้วผ่านได้เกรดทาให้เราเรียนจบเพื่อเราจะได้ไปทํามาหากินจากความรู้เท่าเราได้เรียนมาก็พอส่วนเรื่อง สรรเสริญเยนยอรเรื่องอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปยินดีกับมันใครเขาตั้งเราก็ขอขอไม่รับไปเลยดีกว่าสบายใจกว่าจะได้ไม่ต้องมากังวลเดี๋ยวปีนี้ได้เป็นเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้เป็นก็เสียใจเพะมันไม่แน่นอนแล้วเป็นแล้วเดี๋ยวก็ถูกคนเขากลั่นแกล้นงนี่นมันบรรเทนที่จะเป็นความสุขมันกลายเป็นความทุกข์แต่ปัญหาคือเรามักจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเราคิดว่าเป็นสุข พอพอได้แต่งตั้งได้เป็นหัวหน้าชั้นได้เกียรติโยโมโหาดี อ, อกดีใจแต่มองไม่เห็น อ, อีกด้านหนึ่งว่ามันจะมีคนเกลียดเราคนอิจฉาริษยาเราคนนที่จะมาทำร้ายเราได้ <Yeah. S 1> ฉะนั้นอยู่แบบไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรดีกว่า <Yeah. S 1> อยู่แบบปัตตภีพุทธเจ้าบอกว่าพยายามทำตัวเราให้เป็นเหมือนแผ่นดินดีกว่า ใครอยากจะเหยียบก็เหยียบได้ใครอยากจะขี่รถเยี่ยวรถใส่ก็ทำได้พระปฏิปีไม่เดือดร้อนไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ห้ามใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปใครอยากจะด่าก็ด่าไปใครอยากจะชมก็ชมไปแต่เราไม่รับทั้งสองอย่างเราเฉยๆไปเรารับรู้แต่เราไม่รับเราไม่ตอบโต้แล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อน คำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ค่ะคำถามจากคุณตุ้มค่ะเวลารู้สึกไม่ดีกับใครแต่ไม่ได้พูดออกไปแค่พูดอยู่ในใจอย่างนี้จะบาปหรือไม่ครับยังไม่บาปเนาะเป็นเพียงอกุศลซึ่งควรจะระ ง, งับเพราะคิดไม่ดีมันก็ทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยพอรู้ว่าเราคิดไม่ดีก็พูดโธพูดโธไปหลอรือสอนตัวเราคิดแบบนี้ไม่ดีกําลังจุดไฟเผาตัวเราเองคิดไรกับพูดนี้มันทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาก็หยุดมัน แล้วถ้าไม่หยุดเดี๋ยวไปพูดไหมจะเป็นบาปขึ้นมาจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเวรเงินขึ้นมาพอไปด่าเขาเดี๋ยวเขากลับมาด่าเราพอเาด่าเราแล้วก็ไปตีเขาพอไปตีเขาเขาก็ทุบเราทาลายเราฆ่าเราต่อไปนั่นก็ต้องหยุดไฟเสียแต่ต้อนลมพอมันเริ่มนุกขึ้นมาปั๊บต้องหยุดทันทีหยุดที่ความคิดของเราคิดไม่ดี คำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์นะคะสงสัยเรื่องเพศคารวาสนี่คืออย่างไรคะแล้วคําที่ว่าคารวาสบรลุธรรมคารวาสคือหมายถึงศีห์ห้าหรือเปล่าคะเอคารวาสคือชื่อพูกที่ไม่ใช่เป็นานักบวชนี่ยพวกญาติโยมทั้งหลายนี้เป็นคารวาสหมพวกพระนี่เป็นพวกบรรพชิตแบ่งกันเป็นสองพวกบรรพชิตคือพวกนักบวชแล้วก็พวกที่ไม่บวชก็เรียกว่าคารวาสผู้คลองเรือนคําว่าคารวาสคือผู้คลองเรือน คือผู้ที่อยู่บ้านนั่นเองนะมีบ้านอยู่กันแต่พระไม่มีบ้านอยู่พู้นักบวชบรรพชิตไปอยู่วัดกัน mm hmm. ก็มีทา่านนี้ส่วนคารว่านี้จะมีถือศีลห้าก็ได้ถือศีลแปดก็ได้ถือศีลสิบก็ได้ mm hmm. ไม่มีใครห้ามหรือไม่ถือศีลใหนก็ไม่มีใครห้าม mm hmm. คนที่เป็นคารว่านไม่มีศีลก็มีเยอะแยะไปคำถามต่อไปค่ะ พอดแีแฟนผมไปแต่งงานกับคนอื่นที่แม่แมเขาให้แต่งกับคนรวยแต่แฟนผมไม่อยู่กับเขาแต่กลับมาแต่งงานกับผมอีกรอบแบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อสามหรือเปล่าครับเหมือนกับผมไปแย่งเมียเข้ามาหรือเปล่าครับก็อยู่ที่ว่าเขาเลิกกันแล้วหรือยังเขาอย่ากันแล้วหรือยัง ถ้าก็ยังไม่อยากกันแล้วก็มาอยู่เป็นภรรยาเองก็ถือว่าเขาก็ผิดศีลแต่เราอาจจะไม่ผิดศีลก็ได้เพราะว่าเราก็แต่งงานกับเขาถูกประเพณีเขามาด้วยความสมัครใจแล้วเราก็ในการแต่งงานตามประเพณีทุกอย่างก็ผิดอีู่กับคนที่เขาทิ้งสามีเขาแล้วมาแต่งงานโดยที่ไม่ได้บอกสามีแล้วไม่ได้ย่าล้างกับสามีเขาท่นนี้ เขาก็เป็นคนผิดประเพณีไปเั้นถ้าเ้าอยากจะทำให้ถูกก็ควรจะอย่าร้างกับสามีเก่าเ้าก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาแต่งงานกันใหม่จะได้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะมีคำถามว่าการถือศีลอุโบโสถหากตรงกับวันทำงานคุณไปถือในวันหยุดแทนใช่ไหมเจ้าคะ ที่ผ่านมาพยายามถือศีลตรงกับวันพระหากวันพระตรงกับวันทํางานจะแต่งตัวให้เสร็จก่อนค่ะไม่ทราบเหมาะสมหรือไม่เจ้าคะไม่เหมาะควรจะเปลี่ยนวันวันพระดีกว่าเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดทํางานเพราะความหมายของวันพระแท้จริงก็คือวันหยุดทํางานนั่นเองนั้นสมัยก่อนเขาหยุดทํางานในวันพระกันแต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องเปลี่ยน วันพระของเราจากวันวันพระวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนเท่านั้นเองแล้วเราจะได้ทำรักษาศีลแปดได้อย่างง่ายได้เพราะวันพระนี้เขาในสมัยพุทธกาลก็คือวันหยุดสมัยนี้วันหยุดไม่ได้เป็นวันพระเราก็ต้องเอาวันหยุดเราเป็นวันพระแทนคําำถามต่อไปค่ะขอเรียนขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า ผู้ปรารถนาจะบรรลุโสดาบันต้องมีศีลบริสุทธิ์เพียงใดถึงจะนับว่าศีลบริสุทธิ์จนเกื้อให้บรรลุโสดาบันได้ครับก็ศีลห้าพื้นเป็นพื้นฐานส่วนถ้ามีศีลแปดได้ก็จะบรรลุได้เร็วขึ้นถ้าศีลห้าก็จะช้าแล้วแต่ว่ามีอย่างปัจจัยอย่างอื่นอย่ารก็เปล่าเช่นถ้ามีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยมันแค่ถือแค่ศีลห้าก็ได้มันก็บรรลุได้ แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิอาจจะต้องถือศีลแปดเพื่อมาช่วยสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนมอมีสมาธิแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะไปเจริญปัญญาเพื่อให้บรรลุได้คำถามต่อไปจากคุณจิตจารินค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงจะเรียกสติได้เจ้าค่ะถึงจะเรียกสติได้ก็ท่องพุทโธไปเลยพอพอรู้ว่าไม่มีสติก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสติก็กลับคืนมา หรือส่วนมไไปก็ด้คำถามต่อไปจากคุณทีฆตนาค่ะการปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติยิ่งมีทุกข์กับสังขารความเจ็บปวดของร่างกายเกิดเกิดํำดับตลอดหนึ่งปี แต่ก็ยังใช้ร่างกายปกติปฏิบัติธรรมปกติแต่เกิดเห็นความเบื่อหน่ายของร่างกายเบื่อหน่ายจากกิเลส ข, ของมนุษย์แบบนี้เห็นแล้วแต่รู้สึกเฉยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมเจ้าคะและต้องกำหนดรู้ต่อไปรู้ไปตลอดสลับกับการปฏิบัติไปด้วยความเพียรไม่หยุดแบบนี้ทำถูกต้องไหมเจ้าคะก็ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ เมื่อก่อนนี้เราไปชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนี้เราเบื่อแล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับมัน <Yeah. S 1> ความเบื่อหน่ายนี้ถ้ามันไม่ได้ทำให้เราไม่สบายใจก็ดีเพราะว่าเมื่อเราเบื่อเที่ยวเราจะได้ไม่เที่ยวเมื่อเราเบื่อคนเราจะได้ไม่ต้องไปคบค้าสมาคมกับคน <Yeah. S 1> เราจะได้อยู่คนเดียวได้แล้วเราจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้น <Yeah. S 1> ถ้าเบื่อแบบนี้ก็ดีถ้าเบื่อแล้วเศ ร, ร้าอยากจะฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็ไม่ดี yeah. แล้วแต่เบื่อแบบไห น, นก็ต้องดู <ừ. S 1> ถ้าเบืเ่อแล้วทาให้เราไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่เราเบื่อได้ก็ดีเพื่อนที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นแล้วก็ข้อสําคัญก็คือต้องปฏิบัติธรรมเบื่ออะไรแล้วก็เลิกไปเบื่อเหล้าก็เลิกกินเหล้าไปเบืเ่อเพื่อนก็เลิกคบเพื่อนไปแล้วก็เอาเวลาที่ไปกินเหล้าไปคบเพื่อนมาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไป คำถามต่อไปจากคุณกุลสิริค่ะลูกขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคำว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมหมายถึงอะไรเจ้าคะอย่าไปสนใจแหละมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราหรอกให้ให้เรามาปฏิบัติดีกว่าให้มามีเปรยัพุทธโธไปก่อนดีกว่าเพื่อหยุดความคิดต่างๆเพื่อนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วเดี๋ยวต่อไปคาพูดเหล่านี้เราก็จะเข้าใจความหมาย ตอนนี้เราไปพยายามทำความเข้าใจยังไงมันก็สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะเดี๋ยวก็ <c oughs> ลืมพอพออธิบายเสร็จเดี๋ยวก็ลืมอีกนะงั้นไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดต่างๆอันนี้มันเป็นคำพูดที่สำหรับคนที่เขาเข้าถึงจุดนั้นนะเขาก็เอามาพูดมาบอกแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงไปคิดยังไงก็ไปไม่ถึงอยู่ดีมันเพราะมันไม่ได้ไปด้วยความคิดมันต้องไปด้วยการปฏิบัติธรรม <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเมื่อเช้าลูกได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแต่หลวงตาท่านไม่สบายแต่ลูกได้เตรียมพัะตาหารและสังฆทานเรียบร้อยแล้วลูกไม่เจอก็เลยได้ฝากกับลูกศิษย์ที่กุฏิหลวงตาอย่างนี้จะได้บุญเหมือนกับที่ได้ถวายให้กับหลวงตาโดยตรงหรือไม่เจ้าคะได้เหมือนกันนะไม่ถวายให้หลวงตาถายให้พระองค์ก็ได้เท่ากันเหมือนกัน ไม่ว่าจะถวายให้ขายบุญนี่เท่ากันบุญที่เกิดจากการถวายอาหารนี่เท่ากันเนี mm ่ hmm. แต่ว่าถ้าได้เห็นหลวงตาท่านอาจจะให้ธรรมะกับเราท mm hmm. ่านนั่นเองที่ต่างกัน mm hmm. ถ้าไปให้กับพระรูปอื่นพระรูป อ, อาจจะไม่มีธรรมะเหมือนของหลวงตาเราก็จะไม่ได้ธรรมะจากท่านทนั่นเองแต่นอกนั้นแล้วเวลาการให้ของนี้ให้ขายนี้ได้บุญเท่ากัน ให้หลวงตาหรือให้หลวงหลวงเนนก็ได้ธรรมะได้ได้ความได้บุญคือความเสียสละเท่ากันคำถามต่อไปจากคุณพิมพรค่ะกลับน้มาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแม่ฝากเรียนถามว่าคุณบอกผู้ป่วยฝึกวางใจอย่างไรเมื่อผู้ป่วยบอกว่าเห็นผีมาหลอกเจ้าค่ะก็บอกไม่จริงนะถ้าบะบอกว่าผีจริงไม่หลอกนะผีหลอกไม่จริง คือจิตนีเน่เวลาคนตายเปนจิตเขาก็เป็นผีไปเราเรียวกว่าผีแต่ความจริงเขาเรียวกว่าเป็นจิตวิญญาณตรงนี้เขาไม่มาเสียเวลามาหลอกเราหรอกเพราะเขาก็ต้องไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปของเขาไอ้ผีที่มาหลอกเราก็คือจิตเรามันหลอนมันหลอกเราเองคิดปรุงแต่งไปเองแล้วคิดว่าเป็นผีเป็นอะไรไปแล้วเราต้องสู้กับผีตัวนี้ด้วยการใช้พุโทโธสวดมนต์ไปสวดอิติปิโสไปแล้วท่องพุโทโธพุโทโธไป เอาเดี๋ยวผีหลอกมันก็จะหายไปคำถามต่อไปค่ะหลวงพ่อครับการที่บอกว่าคนที่ทำตัวเป็นไม้บรรทัด ท, ที่วัดคนอื่นอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็จะไปวัดว่าคนนั้นดีไม่ดีอย่างไรโดยเอามาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดท่านนั่นเองซึ่งก็ตัวเองก็อาจจะไม่เป็นไม้บรรทัด ท, ที่ไม่ตรงก็ได้ไปวัดคนอื่นนะก็ พอเขาตรงแล้วก็กลับไปเห็นว่าเขาไม่ตรงสิงั้น <Yeah. S 1> อย่าไปวัดคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ให้วัดตัวเราเองดีกว่า mm hmm. ให้วัดตัวเราด้วยเอาคำเอาคอาคสอนของพระพุทธเจ้ามาวัดเอาเอาตัวพระพุทธเจ้ามาวัดดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นมาตรฐานที่แท้จริงถ้าเราสามารถวัดตัวเราให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้เราก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าคาถามจากนากุติคะ่ะ การนั่งสมาธิได้บุญแบบไหนคะและได้อย่างไรเจ้าคะได้ความอิ่มใจสุขใจที่มากกว่าบุญที่ได้จากการทําบุญทําทานใส่บาตรเวลาทําบุญทําทานถวายสังฆทานแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจแต่เวลานั่งสมาธินี้เราจะได้หลายเท่าได้มากกว่าความอิ่มใจที่ได้จากการทําบุญทําทานเจ้าหน้าทามต่ อ, อ, อาการนมัสการค่ะ พอดีเดือนที่แล้วหนูได้บริจาคยายารักษาโรคมะเร็งค่ะกล่องละสามแสนให้มีความตั้งใจเอาไว้แล้วว่าให้บริจาคให้คุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อจะให้ให้คนไข้คนอื่นต่อไปตอนตอนที่บริจาค ก, ก็รู้สึกดีใจอิ่มบุญมากค่ะวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งวันก็รู้สึกอิ่มบุญแต่พอมาเจอเพื่อนแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่ให้เขาเขา เอาไปขายให้ได้อาจจะได้แสนสองแสนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราจากจากความรู้สึกดีใจบางครั้งเราก็รู้สึกเลยว่าถ้าเราเอาไปขายได้เงินมาใช้ใจ่ายในสถานการณ์ที่ตอนนี้มันก็น่าจะดีมันก็เลยกลับเป็นว่าตอนนั้นเราอิ่มบุญแต่ตอนนี้มันบางเหมือนกับด้านซ้ายมันทําไมเราไม่ขายด้านขวาเออเรามีความสุขแบบเนี้ค่ะทำไมทําไมเราต้องคิดแบบนั้นนะคะ ก็เรายังมีกิเลสอยู่ไงเรายังมีกิเลยยังอยากได้ความสุขจากการได้เงินทองอยู่แล้วก็บอกว่ามันผ่านไปแล้วเอากลับมาไม่ได้แล้วอ้อยเข้าปากช้างแล้วแล้วแบบนี้เราเราเราจะได้บุญไหมคะได้เราก็หยุดคิดถึงความอยากที่ยามาขายอย่างนี้เวลาเราคิดใม่ดีเราก็หยุดคิดหยุดคิดบอกว่ามันพมันคนละเรื่องแล้วบุญที่เราทํานี้เราทําไปแล้วเราได้บุญแล้วเราไปเปลี่ยนนั้นไม่ได้แล้ว ถ้าเราคราวหน้าถ้ามียาอย่างนี้ได้มาอีกก็ถ้าอยากจะได้เงินก็เอาไปขายแต่สิ่งที่มันผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดให้มันวุ่นวายใจค่ะค่ ะ, ค, ะคำถามจากคุณสมานสีค่ะขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายศีลพัตตรป arama รค่ะศีลพัตตปรม a นี่ยท่านแปลว่าการลูกคำศีลคือการไม่เห็นโกห่งกรรม ว่าทำบาปแล้วจะทุกข์ทำบุญแล้วจะสุขงนั้นก็ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้จะเห็นกฎแห่งกรรมจะเห็นว่าการทำบาปนี้ที่จะทำให้ใจทุกข์ท่านก็จะไม่กล้าทำบาปท่านก็จะรักษาศีลไปตลอดถึงแม้จะต้องตายเพราะการรักษาศีลกย็ยินดีที่จะตายเพราะความตายของร่างกายนี้มันเป็นธรรมดามันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้าไปทำบาปเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปบาปนี้จะทาสร้างความทุกข์ให้กับใจและจะทำให้ใจต้องไปเกิดในอาบายต่อไปด้วยเหตุ น, นี้พระโสดาบันจึงไม่ไปเบื่เกิดในอาบายต่อไปเพราะท่านเห็นโทษของการกระทำบาปท่านก็จะไม่กล้าทำบาปท่านก็จะรักษาศีลโดยตลอดชีวิตก็เลยละศีลพัตได้ คนที่มีศีลรักษาตระก็ยังสองจิตสองใจอยู่ใจหนึ่งก็อยากจะรักษาศีลแต่พ อ, อย่างเมื่คิดนโยมบอกว่าถ้าจะได้เงินขึ้นมานี่จะต้องไปขโมยของหรือว่าไปทำบาปก็อาจจะยังไม่อยากจะทําบาปเพื่อที่จะเอาเงินมาอยู่เพราะยังไม่เห็นเห็นเห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของตอนเวลาที่ทําบาปแล้วเป็นยังไง <Yeah. S 1> ก็ยังเรียกว่าศีลรักษาตระอยู่ ยังรักษาศีลไม่มั่นคงคุยง่าย ร, รักษาได้เวลาไม่มีไม่มีอะไรมาร่อใจพอมีอะไรมาร่อใจหน่อยเดี๋ยวก็ผิดศีลได้คุณยศต่อไปถามท่านอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะการที่เรานั่งสมาธิเน<ม>ี่ยถึงแม้จะไม่ได้อะไรเลยแต่ลรพยายามนั่งอยู่ทุกวี่ทุกวันเ ง, งี้ยเออจังเป็นบุญกุศลใหญ่อยู่ไหมคะเป็นเพราะว่าก่อนจะได้ผลต้องนั่งก่อนไงเหมือนปลูกต้นไม้นะ ก่อนที่เราจะได้ผ ล, ลไม้เราก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนใช่ไหมถ้าอยากจะได้ทุเรียนอยากจะได้ส้มเนีย่ยเราก็ต้องปลูกต้นส้มปลูกต้นทุเรียนก่อนอยากจะได้ความสงบจากสมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิกันไปก่อนถึงงี้มันจะไม่ไปถึงไหนเลยหรือเครับมันก็ไปอของมาก็เหมือนปลูกต้นไม้เหรออาจาต้องได้สักวันพอปลูกปุวันนี้เราจะไปให้มันออกดอกป๊บแต่ได้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าเออเผลอเผลอสักห้าปีสิปีมันก็โตใหญ่ขึ้นมาเอง เราลองปฏิบัติไปสักเดือนสองเดือนมันอาจจะเกิดผลขึ้นมาก็ได้ครับพยายามไม่แน่นะบางคนนั่งปุ๊บปั๊บก็ได้เลยก็มีเพราะเขาอาศัยว่าเขาปลูกมานานแล้วชาติตก่อนเขาปลูกไว้นานแล้วพอมาปลุกต่ออีกนิดเดียวมันก็ได้ผลทันทีเลยเห็นแต่ละคนไม่แน่นอนคือโยมก็ไม่ทราบนะคะมีเมื่อไหลาปีก่อนที่โยมนั่งเลยค่ะ Mm. มันเกิดความสวรร่างขึ้นในใจนะคะ mm. ขณะนั้นคือการที่นั่งขณะนั้นคือมีทุกข์ในใจมากเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะเจ้าค่ตอนนี้นอนไม่หลับอยู่หลายคืนโยมก็เลยในเมื่อเป็นเยี่ยงนี้ฉันก็จะนั่งสมาธิของฉันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ mm. มันก็เกิดความสวรร่างว่างขึ้นมาในใจอยู่แว้บนึงนะเจ้า mm. ได้มันก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมันต้องมีเหตุการณ์มากระตุ้นแล้วเราก็ตั้งใจนั่งจริงๆมันก็เกิดผล ข, ขึ้นมาได้ ก็เลยยึดแนวทางนี้มาตลอดแต่ก็ยังไม่บรบรลุผลทันทีนะครับอย่าไปคิดถึงผลที่ได้ในอดีตเวลานั่งแต่ <c oughs> ไปอยากให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้ว <c oughs> นั่งทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้เหมือนคราวแรกคร่ะ <c oughs> อันนั้นก็นั่งแบบไม่รู้จริงเๆเลยใชเ่เวลานั่งใหม่ก็ต้องนั่ ง, ง, งแบบไม่รู้ <c oughs> ไม่ชี้อย่าไปนั่งบอกเอ้ยเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดอย่างนี้ไม่เกิดนะ ในภาวะนั้นนันะคะคือทุกใจมากๆเลยนะะตาดออกไม่ได้เลยค่ะบางทีมันต้องอาศัยอะไรมากดดันเราให้เรานั่งจริงๆอย่างจังอันนั้นคือนั่งรู้สึกจะตลอดลุกเลยมันจะพอาจนั่นแหละดีสาธุเหนือสานาทีหมดพอดีเล้ะอามีคำถามส่งเข้ามา ถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะมารดาป่วยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งค่ะขอพระอาจารย์ช่วยบอกวิธีให้มารดา ค, คลายความเจ็บปวดจากมะเร็งได้อย่างไรค่ะเมะเร็งนี้เป็นเรื่องของร่างกายความทุกข์นี้อยู่ที่ใจใจนี้สามารถไม่ทุกข์กับความเป็นมะเร็งได้โดยการยอมรับว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเมื่อมันเป็นมะเร็งก็ปล่อยมันเป็นไป เราอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้มันเป็นอะไรก็ต้องให้มันเป็นไปทําได้ก็รักษาไปรักษาได้อาจจะหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่ใจเราจะไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเราอย่าไปอยากให้มันหายมันเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปปล่อยวางร่างกายถ้าปล่อยไม่ได้ก็สวดมนต์ไปพุทโธไปทําใจให้ ลืมถึงเรื่องโรคมะเร็งแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้ชัว่วคราวใจก็จะสบายเป็นพักๆไปแล้วนะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ